อนุญาตกล่าวธรรมวินัยนะครับนี่มาขึ้นข้อความในคำภีคู่กานิกายอิติวุตกะต่อเลยนะครับนี่มาขึ้นมานะสูตรนะครับมานะสูตรในข้อ1น6นะครับในหน้า98จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอรหันตัดแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายพิสูไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้มานะไม่ยังจิตให้คลายกาหนัดในมานะนั้นอย่างละมานะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกขดูก่อนภิสูน์ทั้งหลายส่วนภิสูุรู้ยิ่งกำหนดรู้มานะยังจิตให้คลายกาหนัดในมานะนั้น ละมานะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกนะี่ก็แสดงว่าอัธยาศัยของพระภิกษุรูปผู้ฟังเนี่ยนะภิกษุผู้ฟังจากพระผู้มีประภาคนั้นเป็นประเภทมีมานะมากหลงก็เลยทรงแสดงธรรมะอันนี้เพื่อให้รู้ยิ่งมานะนะครับให้กำหนดรู้มานะด้วยยาตะปริญญาตีรณะณปริญญาแล้วก็ ปหาณะปริญญานะครับทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับถ้าหากว่าทำปหาณะได้อย่างนี้ก็ควรเพื่อความสิ้นทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าหมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะมีมานะเป็นเครื่องร้อยรัดยินดีแล้วในพบไม่กาหนรู้มานะ ต้องเป็นผู้มาสู่พบนี้อีกส่วนสัตว์เหล่าใดละมานะได้แล้วน้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นมานะสัตว์เหล่านั้นครอบงํากิเลสเครื่องร้อยรัดคือมานะเสียได้ก้าวล่วงได้แล้วซึ่งกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนะครับนี่ก็คือเน้นให้ทําปริญญาในมานะนะครับมันถ้าสงเคราะห์สูน่นี้ลงสติปัฏฐานก็เป็นอะไรครับ เป็นสติปัฏฐานอะไรครับมานะนี้เป็นสติปัฏฐานในอะไรหนึ่งในสี่เป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมะเป็นธรรมะนะครับถ้ารู้มานะอย่างนี้อยู่ในประเภทสังโยชน์บัพภะนะครับหรือที่เรียกว่าอายตนะบัพภะนะเพราะว่าในอายตนะบัพภะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าพึงรู้จักอายตนะภายในเนี่ยนะครับคือจากโสอายตนะภายนอกคือรูปแล้วก็ สังโยชน์ที่อาศัยจากสุและรูปนะครับคือเครื่องผูกนะครับมานะเนี่ยเป็นเครื่องผูกตากับสีเหมือนกันนะครับเครื่องผูกหูกับเสียงจมูกกับกลิ็ดลิ้นกับรสกายกับโพธะพระใจกับธรรมารมณ์ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็ยังผูกพบสู่พบด้วยนะเพราะมานะนี่เป็นเป็นสังโยชน์นะครับเพราะว่าหมู่สัตว์เนี่ยนะครับผู้ยินดีแล้วด้วยมานะเนี่ยนะก็เท่ากับว่ายินดีในพบถ้าถ้าไม่กําหนดรู้มานะเนี่ยนะครับเพราะว่ามานะนั้น จะเอาธรรมะเหล่านี้นี่แหละครับมาผูกกันมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบแล้วก็มานะนั้นก็นับเป็นเครื่องเนิ่นช้าอีกอย่างหนึ่งในบรรดาเครื่องเนิ่นช้าสามประการคือตันหาและทิฏฐินี่นะครับในมานะสูตรนี่นะครับไม่มีเรื่องที่ไม่เคยกล่าวเทศนาเป็นไปด้วยมานะล้ว น, นในคาถาทั้งหลายมีอธิบายดังต่อไปนี้ บทว่ามานูเปตาอายังประชาความว่าสัตว์เหล่านี้ได้ชื่อว่าประชาเพราะเกิดด้วยกรรมกิเลสประกอบด้วยมานะอันมีการถือตัวเป็นลักษณะนี่นะครับนะมูสัตว์เนี่ยนะครับชื่อว่าประชาเพราะเกิดด้วยกรรมและกิเลสนะกรรมกิเลสเนี่ยนะครับเป็นตัวให้สัตว์เกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตเฉพาะโดยเฉพาะครั้งแรกนะครับ อ ก, กันติขเนเนี่ยนะในขณะอย่างลงสู่คันมานดาหรือที่เรียกว่าปฏิสนธิเนี่ยนะครับขณะนั้นเนี่ยนะครับกรรมกับกิเลสเนี่ยนะครับเป็นตัวตัวการใหญ่จริงๆนะคืออวิชาคือความหลงในภพก่อนนะครับ ตันหาความเพลิดเพลินในภพก่อนอุปาทานความยึดถือในภพก่อนเจตนาเป็นเครื่องประมวลมาในภพก่อนเนี่ยนะครับก็ทําให้อย่างลงสู่ปฏิสนธิในภพนี้ะนะกรรมบางอย่างก็ช่วยอุปธรรมให้เป็นไปเรื่อยนะครับชีวิตก็ดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็มีกรรมนั่นแหละเป็นเป็นปัจจัยปล่อเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นกรรมมกิเลสเนี่ยรักษาเอาไว้รักษาตาหูจมูกเล่นกายใจให้เป็นไปเนี่ยนะครับก็กรรมมรรกิเลสนั่นเองที่ท่านใช้คําว่า อุปาทินุปาทานะครับอุปาทินุปาธานะครับทที่เกิดจากอุปาทานด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นอารมณ์ของอุปาทานด้วยบทว่ามานะคันถาพเวรตาความว่าสัตว์ทั้งหลายถูกมานะร้อยรัดคือประกอบด้วยมานะสังโยชน์ อบรมมาจากมานะนั้นเป็นเวลานานไม่ได้อบรมสติปัฏฐานนะครับแต่ว่ามานะนี่มันอบรมมานานแล้วมันเกิดซ้ำๆซากๆ น, นะคาว่าอบรมก็คือมันเกิดซ้าําๆซากๆนนะถ้ากุศลเกิดซ้ำๆซากๆเขาเรียกว่าเจริญภาวนาอันนี้มานะมันซ้ำๆซากๆอุปนิสยัยอันนี้มันพอกพูนมามากนะยินดีในกามาพะเป็นต้นด้วยเหตุสําคัญผิดในสังขารนั้นว่าเที่ยงสุขแล้วก็เป็นอัตตาเป็นต้นนั่นเองนะครับ นี่อันนี้อนุภาพของมานะนั่นเองนะครับก็บอกว่าโยมมาเล่าให้ฟังเ อ, อพระรูปหนึ่งนะครับไม่ใช่โยมพระรูปหนึ่งท่านเล่าว่าท่านเป็นทหารนะครับแล้วก็มียศชั้นสูงระดับในพลนะครับแล้วท่านก็มาฟังธรรมท่านบอกว่าโอ๊แเรามันมานะทั้งนั้นอ่ะมันต้องด่าเขาว่านะใครว่ามันต้องด่ามต้องอะไรลูกน้องกินกับฟังนี่ยนะก็คือมันเคให้สะสมมันมานะเนี่ยมามากมายมหาศาล เขาบอกว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยนะครับแค่เดินเข้าไปนี่เริ่มมีมานะตั้งแต่เดินเข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอาชีพทหารเนี่ยนะครับมานะตั้งแต่เข้าไปแล้วตั้งแต่เข้าไปโรงเรียนนายร้อยเพราะมีรุ่นพี่รุ่นน้องมันมีร่วมรุ่นเนี่ยนะครับมีเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องเกียรติเรื่องศักดิ์ศรีเป็นต้นเนี่ยนะเข้ามาหมดเลยแต่ที่กล่าวนี้ไม่ใช่อาชีพอื่นไม่มีนะครับแต่ว่าอาชีพนี้ค่อนข้างเด่นเพราะฉะนั้นหนักๆเขาก็จะคุยในเรื่องยศนะครับมานะเนี่ยลักษณะออกมาในรูปแบบของยศนนนััเองะครบ เรียกว่าดูเรียกว่าฆ่าได้แต่ยาบไม่ได้ก็จะลักษณะนั้นนะครับมันมานะมีกำลังก็ขนาดนั้นนะนี่มานะก็ประกอบผูกพันก็บอกว่าสัตว์ที่มีมานะแรงกล้ามากๆไม่กลัวตายนะครับมานะมันมีมากๆมีกำลังจริงๆนะไม่กลัวตายนะแต่แต่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสำคัญผิดนั่นเองนะครับ สำคัญผิดในสังขารที่สังขารนั้นที่จริงเนี่ยความเป็นจริงของสังขารคือไม่เที่ยงนะครับแล้วก็ความเป็นจริงของสังขารก็คือเป็นทุกข์อ่ะนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์แต่มีสุขเวทนาบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไอส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับมันเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีอัตตาตัวตนอะไรไปอยู่ในนั้นหรอกครับที่สําคัญผิดเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระพูทมีพระป่าก็ยังตรัสว่าสีระยนตนั่นเองนะครับ แล้วก็นามาธรรมทั้งหลายก็อาศัยปัจจัยนี่แหละเกิดขึ้นนะครับนามาธรรมไม่ได้เกิดขึ้นแช่อยู่เลยบางแห่งเคยได้พบว่าผู้ที่สําคัญผิดว่ารูปเนี่ยเที่ยงนะยังพอสําคัญถูกได้บ้างแต่นามเนี่ยนะครับหรือว่านามาธรรมหรือจิตเนี่ยนะครับมันเที่ยงได้ยังไงคัมภีรหลายแห่งบอกว่าชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเกิดเป็นแสนโกรธขณะเนี่ยนะครับความว่องไวมันไม่ได้เที่ยงคงทนอะไรเป็นของน้อยเป็นของนี่ๆห น, น่อยๆเ น, นี่นะครับ นี่ต่อไปว่าพ่อสัตว์เนี่ยนะครับหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในสังขารทั้งหลายวันนี้ของเราด้วยอานาจความถือตัวใช่ไหมครับถือตัวว่าเรานี่มีรูปงามกว่าคนอื่นนะผิวพรรณงามกว่าคนอื่นเสียงเพราะกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับสัมผัสในตัวดีกว่าคนอื่นสวดทรงดีกว่าคนอื่นเกิดในชาติตระกูลดีกว่าคนอื่นนะครับได้รับความสุขมากกว่าคนอื่นเนะนี่ยนะมานะก็จะถือตัวในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละ แต่ถ้าหากว่ากําหนดรู้ในอารมณ์อันเป็นที่อาศัยเกิดของมานะเนี่ยนะครับมานะอาศัยสิ่งใดเกิดขึ้นพิจารณาสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีก็ไม่รู้จะเอาฝีมาเปรียบกันทําอะไรใช่ไหมครับฝีของฉันเนี่ยบวมกว่าของแกไงเอาเปรียบกันทําอะไรใช่ไหมครับแผลของฉันใหญ่กว่าแผลของแกไงมันก็ไม่ได้เกิดการเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับฝีเหมือนกับลูกซ้อนนั่นแหละครับเห็นไหม อย่างที่พระ อ, องค์ตรัสว่าถ้าหากว่าผู้ที่สําคัญกายเหล่านี้แล้วนะแล้วดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราผมสังเกตนะแม้แต่พระเราเนะี่ยพอเราเร า, เรามารักษาศีลเนี่ยนะเราบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าศีลของเราดีกว่าศีลของคนอื่นอย่างนี้ก็มานะเนาะก็ลักษณะอย่างหนึ่ง <c oughs> ของมาเหมือนกันนะครับนะ เช่นเป็นผู้สันโดษในปัจจัย4ี่เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เอาไอ้ความสันโดษเป็นต้นเนี่ยไปเที่ยวข่มคนอื่นพระ อ, องค์ก็ตําหนิ น, นะครับตําหนิ น, นี่มันก็มีนี่เรียกว่ามีเปลือกเป็นสาระนะครับเรียกว่าเปลือกเนี่ยจริงก็แค่เปลือกแค่สะเก็ดเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้เข้าแก่นอะไรแท้ๆแต่ก็มันอดไม่ได้นะครับที่จะเอากุศลธรรมเหล่านั้นมาเปรียบนะบแต่ก็ขอให้รู้ว่ากุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะครับ ได้ไปได้เหตุได้ปัจจัยกุศลธรรมเหล่านี้จึงมีถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะรักษาเหตุปัจจัยต่อไปได้กุศลธรรมเหล่านี้ก็เสื่อมนะครับคนอื่นที่เข้ากุศลจิตไม่เกิดเนื่องจากปัจจัยไม่พอนะครับวิธีกา ร, รพิจารณาในลักษณะกรรมจัดมานะเนี่ยนะครับผมสังเกตดูนายกชวนนะเขาพูดเรื่องนี้นะับนานและสมัยที่เขาเป็นรัฐมนตรีศึกษาเขาเล่าว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งขักกว่าเขาหรือเท่าเขานะครับ แต่คนอื่นไม่มีโอกาสเหมือนเขานะครับพระพิสูจที่ท่านรักษาศีลเป็นต้นก็จะลักษณะเดียวกันนะครับพระพิสูรูปอื่นนี่นะครับที่ท่านไม่ได้รักษาธรรมนิยส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่ได้เหตุปัจจัยพอไม่ได้อยู่ในหมู่คณะที่เป็นสัตว์บูรุษทั้งหลายนะครับหนืออาจจะตั้งจิตไว้ผิด แต่ถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นเพียบพร้อมนะครับถ้าตั้งจิตไว้ถูกมีหมู่คณะที่ดีมีกัลยาณมิตรใครจะไป ร, ะรู้ว่าอุปนิสัยแห่งอรหัตตมรรคอยู่ในใจของเขาแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขาได้ปัจจัยนะครับเหนไแต่ของเราก็ไม่รู้ว่าปัจจัยให้เสื่อมจากพระธรรมคําำคำสอนเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบถ้าหากว่าเราประมาทในนะสำคัญในกุศลลธรรมเหล่านั้น ผิดพลาดไปนะครับเพราะว่ากุศลมันก็เกิดแค่ระยะหนึ่งขณะที่เปรียบเทียบขณะก็ไม่ใช่ไม่ใช่กุศลแล้วนะครับขณะที่เอาเรียกว่าเอาศีลมาเปรียบเทียบนะขณะที่นึกเปรียบเทียบเป็นต้นขณะนั้นก็ไม่ใช่ศีลแล้วเป็นมานะไปแล้วนะครับเป็นอกุศลแล้วมีโทษแล้วให้ผลเป็นทุกข์แล้วต่อไป บทว่ามานังอภริชานันตาความว่าไม่กําหนดรู้มานะนั้นด้วยปริญญาสามหรือไม่พ้นมานะนั้นด้วยอรหัตตมักนะครับต้องทําปริญญาหมายว่ามานะเนี่ยนะครับเกิดจากปัจจัยอะไรก่อนในชั้นต้นเนี่ยนะครับมานะนี้อาศัยเกิดถ้าจะเกิดเนี่ยนะอาศัยทวารทั้งหเกิดได้หมดเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะมานะเนี่ยนะจะเปรียบในอุปาทานขันนะครับเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันนันนะ มานะนี่อาศัยอุปาทานอาคารเป็นหลักๆแต่ถ้าหากว่าจะเอาอย่างอื่นมาเปรียบก็ได้เช่นโคดชาติตระกูลวันณนะผิวพันธุ์โดยที่สุดเนี่ยนะครับแม้แต่ความเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะหัวหน้าหมู่คณะแม้กระทั่งหัวหน้าบินทบาตเนี่ยนะครับหัวหน้าสายเนี่ยนะก็ยังอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเป็นมานะอีกนะครับในฐานะว่านั่งหน้านั่งประธานพรรษามากกว่าเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งมานะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องทําปริญญาทั้งหมด นะวัตถุใดเป็นที่อาศัยเกิดของมา n น a ะต้องพิจารณาวัตถุนั้นนะครับพิจารณาวัตถุนั้นพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็คร่ครวญถึงสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองนะครับนะถ้าหากว่าไม่กําหนดรู้ด้วยปริญญาสามยาตะปริญญาตีระปริญญาและก็ปะหานะปริญญาก็ไม่สมควรที่จะพ้นจากทุกข์เหมืนกันเถอะบทว่าอาคันตาโร ปุับภวังความว่าเป็นผู้ต้องไปคือต้องเข้าไปสู่พพอันจะต้องเกิดต่อไปอีกหรือสู่สงสารอันได้แก่พพใหม่จากที่เกิดบ่อยๆด้วยการหมุนเวียนไปไปม า, มานะครับเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่า แ, และโดยเฉพาะอนุภาพของมานะเนี่ยนะครับเราไปดูคนอินเดียสมัยนี้นะครับคนที่อยู่ในวันนะจันทานเนี่ยนะรหรือวันณะขอทานอย่างนัน้นเถอะ มีจะเกือบเกือบร้อยล้านเหมืนั้นคร น, น, นะครับมีมากมายมหาศาลนะครับมีคิดว่ายากจนเนี่ยนะจริงๆริงก็ว่าที่ที่นอนห้องเขาก็เพิงขออภัยนะสัมนวนบ้านเราก็คือเพิงสุนัขอยู่ทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นมันน่าน่าดูเหมือนกันนะครับว่าอันนั่นคืออนุภาพของมานะถ้าหากว่าเกิดตระกูลจันทานเนี่ยนะครับไปกินน้ํากินอะไรเนี่ยนะครับไปบ่อน้ําเขายังไม่ให้กินเลย ถ้าหากว่าจะเรียว่าอ่านหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่าสังคมถูกเกลียดกันด้วยนอภาพของมานะเนี่ยนะครับมากๆ ก, ก็อ่านชีวิตของคนอินเดียผมอ่านหนังสือของลอเอร์มเบดกาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโอ้โหเขาถูกเกลียดกันสารพัดนะครับแม้แต่ว่าน้ำโอคงเดียวกันกระติกเดียวกันเขาไม่ให้กินด้วยกันนะครับ แต่เด้งยิงที่เขาเกิดมาตระกูลต่ำอย่างนั้นก็ด้วยอำนาจของมานะใช่ไหมครับกรรมแบบที่มานะให้ผลนําเกิดนะครับกรรมประเภทมีมานะเป็นอุปนิสัยให้นําเกิดครับนะไปเบียดเบียนแทนที่จะเกิดในตระกูลสูงก็ทําให้เกิดในตระกูลต่ำลักษณะ น, นั้นก็คือเนื่องจากไม่ให้ทางแก่ผู้ควรให้ทางไม่ให้อาสนะแก่ผู้ควรให้อาสนะไม่กราบไหว้ลูกรับเชื้อเชิญแก่ผู้ควรเคารพสักการะกราบไหว้เชื้อเชิญเนื่องจากวิจารณญาณไปผิดนะครับ ไม่รู้ว่าที่เรียกว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพนะครับนะเคารพโดยชาติโดยไว้โดยตระกูลโดยคุณวุธโดยอะไรทั้งหลายหลยเนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยนะครับ สู้เขาเรียกว่าสำนวนเรียว่าสู้นกกระทาไม่ไนดะ้ชาติที่พระโพธิสัตว์เป็นนกกระทานะก็ยังแบ่งแยกว่าเออนะช้างเนี่ยมีอายุน้อยลิงมีอายุน้อยนกกระทามีอายุมากกว่าก็ควรนับว่าเป็นพี่เพะฉะนั้นก็ควรเคารพสการะนกกระทาโดยความเป็นพี่นะเขาก็ยังมีนั่นคือต้นเหตุแห่งการเกิดในตระกูลสูงนะครับจริงๆพระโพธิสัตว์สมัยที่เสวยชาติเป็นดาวบดอะไรครับปัญจอุปสัตถาชาดก อย่านั้นเหระนั่นแหะนั่นก็มานะจับกันนะครับเมื่อพระเจกกับพระเทเจ้ามาก็ไม่แสดงอาการคารวะกราบไหว้เลยครับพอพระปเจกเคาะไปแล้วก็สังเวชใจแล้วนะครับนี่ว่ามานะเนี่ยทําให้มันลำพองอยู่ตรงนี้เหาะก็เหาะไม่ได้เหมือนพระปเจกเลยนะครับมันก็อาศัยละมานะตรงนั้นก็สมาทานอุโบสถเพื่อกําจัดมานะก่อนแล้วก็เจริญสมถะกรรมฐานจนได้ฌานอภินญานะครับเนื่องจากเมื่อข่มมานะได้แล้วนะครับ แต่ถ้าหากว่าข่มมานะไม่ได้ก็ปฏิบัติธรรมกุศลธรรมชั้นสูงก็ก็ไม่ได้เด็ดขาดนะครับมันก็จะต้องหมุนเวียนเกิดจากภพหนึ่งโซภพหนึ่งจากภพหนึ่งโซภพหนึ่งเนื่องจากไม่รู้จักสัมนวนว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนั่นเองนะครับคือคือสังคมบางสังคมเข้าใจผิดว่ามันต้องมีความเสมอภาค ก, กันไปหมดเลยเนี่ยนะครับเสมอภาคประกันหมดเลยแต่ที่จริงถามว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกครับ คือถามว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นไปไม่ได้จะเอาคนที่มีคุณธรรมสูงให้มาเละเทะเท่ากับคนมีคุณธรรมต่ำเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นประเพณีของโบราณเนี่ยนะครับการเคารพการกราบไหว้าการอ่อนน้อมเป็นต้นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคก็ยังสง ส, ง ส, งสารเสริญเลยที่ในที่พระภิกษุจะสวดกันบ่อยมากก็คือคาถานี่แหละครับอภิวาทานสีเลสเนิจังวุทฒาปจายโนเนี่ยนะครับที่พระ อ, องค์ตรัสในเรื่องอายุวัฒนะกุมารนะครับในคาถาธรรมบท น, น, นะว่าผู้ที่มีปกติเคารพเนี่ยนะครับบูตรกระนอบน้อมคนที่เจริญเป็นนิดเนี่ยนะครับ คนที่มีคุณธรรมว่างั้นเถอะก็จะเจริญด้วยอายุวันณ่สุขะและภละนั่นเองอาจารย์ลองลองแสดงเหตุผลมาทําไมอาการแข็งกระด้างมานะจึงเป็นเหตุให้เกิดในสกุลต่ำเป็นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดในสกุลต่ำเพราะอะไรยังไงตอนนึกเออเขก็เข้าใจว่าเพราะอนุภาพของความนึกดูหมิ่นของความเหยียดย้ําเนี่ยนะ ก็เท่าที่สังเกตดูนะครับว่าคนที่ขาดความอ่อนน้อมเป็นต้นเนี่ยนะเห็นแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยมีเยอะไหมครับนะครับมีแต่เป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนของคนทั่วไปผมจะยกตัวอย่างว่ากษัตริย์หลายๆคนเนี่นะครับที่มีมานะแก่กล้ามากมากเนี่ยนะครับมานะนั้นกษัตริย์นั้นไม่นานจะถูกโคนบัลังนะครับนะนะก็จะต้องตกต่ําถึงที่สุดเนี่ยนะด้วยอนุภาพของมานะโดยทั่วๆไปแล้วคนก็รังเกียจนะครับอมันมันจะเหมือนเราให้ทานไหม เราให้ทานให้เขาได้มีความสุขได้อิ่มหนสำสาราญผลที่ได้ก็คือเรามีความสุขมีความอิ่มหนำสําสราญเนี่ยนะเมื่อเราไม่ให้เกียรติเขาผลที่ได้คือเขาก็ไม่ให้เกียรติเราอย่างเงี้ยนะอคือถึงเขาไม่ให้เกียรติแต่ว่าอเจตนาอันนั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. เจตนาที่นึกดูหมิ่นดูแคลนอเจตนาอันนั้นเนี่ยทำให้ตกต่ํานะครับเ mm. จตนาตัวนั้นเนี่ยทําให้ตกต่ําไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาเขาไม่ยกย่อง แต่ว่าไอ้เจตนานั้นนะ่ะทำให้ไปเกิดในตระกูลจันทานตระกูลขอทานเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งไม่ควรจะไปเกิดแต่เจตนาที่เย่อหยิ่งจ้องห้องพยองเนี่ยนะเจตนาเหล่านั้นนะ่ะมันทํามันไปกดให้เกิดในตระกูลต่ํามากๆนี่ยนะครับนี่ก็อนุภาพของนึกดูหมิ่นเย่อหยิ่งนั่นเองนะครับแต่ก็ในเรื่องของกรรมนั้นน่ะกิเลสสายมานะเนี่ยนะครับทําให้เกิดในตระกูลต่ํา กิเลสสายโทสะทําให้เกิดมีผิวพรรณไม่งามกิเลสาสายตะนีทําให้เป็นคนยากจนเข็นใจกิเลสาสายที่เรียกว่าสายโมฆะเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ใฝ่รู้ไม่สแสวงหาปัญญาก็ทําให้เกิดเป็นคนไม่ฉลาดเป็นต้นเนี่ยนะครับเั้นกิเล ส, สทั้งหลายแลยเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ก่อทุกข์ก่อโทษอย่างมหาศาลแต่ก็สัตว์ทั้งหลายก็กิเลสเหล่านั้นเนี่ยแหละครับเป็นปัจจัยให้ถึงกับตกต่ําไปเลยเพราะไม่ทําปริญญาใน มานะเป็นต้นไม่รู้นะครับว่ามานะเนี่ยมันให้ผลนําเกิดแล้วมันพอไปเกิดในตระกูลต่ําเป็นต้นเนี่ยนะครับก็มาอ้อนวอนคร่าครวญ น, นะเหมือนกับเสียงเพลงทั่วๆไปเขารําพันทั้งหลายเนี่ยนะนะดอกดินอะไรเงี้ยนะก็มารํำพึงรําพันถึงความเกิดมายากจนเกิดมาตระกูลต่ําเรียกร้องความเห็นใจเนี่ยนะครับมันจะไปเรียกร้องทําอะไรตอนมีมานะนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับตอนมีมานะก็นึกหยิงนึกพยอง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีมานะหยิงพยองมากๆก็ต้องทําใจว่าสักวันหนึ่งชั้นก็จะไปเป็นดอกดินแล้วนะะไปอยู่แบรกระดินติดกระดินถ้าทนแบบนั้นได้ก็มีมานะมากๆได้แต่ก็มีมเพียงเหลือครับเพราะว่าอ้อนคําออนวอนมากๆขอความเมตตาเห็นใจบางลายประสบความสำเร็จก็ถือว่าเป็นประโยคะนะครับ<อ>ประโยคะให้กรำบางอย่างให้ทนคือดอกฟ้าโน้มมาให้เชยชมเนี่ยนะแต่น้อยมากครับ ก็อาจจะระยะหนึ่งเท่านั้นเองเนื่องจากรำพึงรำพันมากเขาเลยเห็นใจพักเีือแต่ก็ไม่นานอะไรนะครับเพราะไม่มีคุณสมบัติคู่ควรกันดอกฟ้าอะไรนะเหนครั บ, ร, บรักษาทรัพย์ไม่ได้ไม่มีสิริพอที่จะปกครองทรัพย์อะไรนะครับบทว่าเยจะมานังประหันตวานะวิมุตตามาณสังสเยปแปลว่า ก็สัตว์เหล่าใดละมานะได้แล้วน้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะธรรมะที่สิ้นอาสวะคือพารหันนะครับอธิบายว่าก็สัตว์เหล่าใดละมานะเสียได้นะด้วยประการทั้งปวงด้วยอรหัตตมรรคแล้วน้อมไปคือน้อมไปด้วยดีในอรหัตผลหรือในนิพานอันเป็นที่สุดมานะด้วยการหลุดพ้นกิเลสทั้งมวลอันมีมานะนั้นเป็นตัวเอกนะครับ ก็ต้องเป็นผ้าหันนะครับจึงจะละมานะได้เป็นสมุทเชทาปะหานในสูตรก่อนนี้กล่าวถึงการละมานะแต่ละมานะระดับผ้านาคามีนะครับที่ละมานะเพื่อที่จะไม่ต้องมาเกิดในภพนี้นะครับแต่นี้หมายถึงเอาผ้าหันเลยนะครับเพราะละได้โดยเป็นสมุทเชทาปะหานไม่มีมานะเหลือแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นภาษารีบุตรเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างอันดีสําหรับผู้ที่ละมานะได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ที่ท่านอุปมาเปรียบเทียบ ว, ว่าท่านเนี่ยเหมือนแผ่นดินเหมือนน้ำเหมือนไฟเหมือนลมนะครับเหมือนผ้าเช็ดทุรีเหมือนเด็กจันทานเหมือนวัวเขาขาดเนี่ยนะแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่สเสียดสเอียนอึดอัดระอาเกลียดชังในกายนี้เป็นอันมากนะครับนในอังคุตรนิกาย อธิกานิบาศก็กล่าวถึงคุณสมบัติอันนี้อย่างหนึ่งของภาษาริบตรที่ไม่มีมานะเลยนะครับเพราะท่านเปรียบเทียบเสมอว่าไม่ต่างจากแผ่นดินไม่ต่างจากน้าําไม่จากจากไฟไม่ต่างจากลมไม่ต่างจากผ้าเช็ดทุลีหรือเด็กจันทาหรือวัวเขาขาดเนี่ยนะครับจึงไม่มีความคึกความคันนองอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับนี่นะถ้าละกิมานะได้แบบนั้นแล้วก็สบายแล้วนะครับพ้นจากวัตรทุกข์ทั้งมวล ขอ้อแรกครับทีนี้มานะนี่เ ป, นเป็นเรื่องของใจหรืออย่างเดียวหรือว่าเกี่ยวเรื่องการแสดงออกทางด้านร่างกายอะไรด้วยคือถ้าจิตที่เป็นไปกับมานะแล้วนะครับมันไม่เก็บอยู่ในใจเฉยๆหรอกครับมันจะแสดงออกให้เห็นนลยนะครับเพราะว่าชีวิตของสาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะมันยังไงมันก็ทําจิตตะชุบอยู่แล้วถ้าจิตนั้นๆเนี่ยนะครับถูกกิเลสประเภทไหน<ส>เกิดบ่อยๆนะครับจิตตะชุบก็จะแสดงออกมาแบบนั้นเช่น ถ้าหากว่าจิตเนี่ยเป็นไปกับโทสะบ่อยๆจิตแต่ชรูปในลักษณะโทสะก็จะแสดงให้คนอื่นเห็นบ่อยๆถ้าจิตเป็นไปกับปีติบ่อยๆเนี่ยนะครับสีหน้าท่าทางเป็นต้นก็มีปีตินี่พวกมานะทั้งหลายก็จะลักษณะเดียวกันถ้ามีมานะมากๆก็จะแสดงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งหรือคำพูดทั้งหลายแหละก็จะประกาศให้บ่งว่ามานะเนี่ยเป็นสมุทฐานแห่งถ้อยคาเหล่านั้นๆได้นะครับ กขอกอกาสครับที่ผมกล่าวมาอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมเคยได้ยินว่ามีพระคุณเจ้าเนี่ยบางบางกลุ่มบางพวกไม่คือไม่ตั้งอยู่ในภาวะหรือว่าแล้วก็ว่าตามปกติวินัยเนี่ยพระไม่ควรที่จะไปกราบไปไหวอะไรโยงยใช่ไหมพ ร, พระนี่ก็ไปทําอย่างนั้นนะ่ะคือไปไหวโยงหรือไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการลดมณนะรัติถิแล้วอะไรเงี้ยนะที่จริงนั่นก็คือมาณะอีกอย่างหนึ่งนะครับ คิดว่าเมื่อตัวเองก้มให้เขาถึงที่สุดแล้วเขาจะยอมรับตัวเองขึ้นมานะครับมันก็เหมือนกับวิธีการขอขามาโทษอีกอย่างหนึ่งแต่ที่ที่พระภิกษุทำอย่างนั้นนี่ก็ด้วยอนุภาพของมานณ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ต้องให้ไปทำแบบนั้นนะเพราะว่าไม่รักษาแม้กระทั่งพระวินัยแล้วนะครับการกราบไหว้เครือหัดเนี่ยนะมันเป็นอบัติอยู่แล้วเนี่ยนะ แต่ทีนี้นึกว่าตัวเองไปกราบไปไหว้ครับ ว, ว่าแล้วเขาจะจะให้อภัยตัวเองเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งไม่ได้คิดว่าจะแสะดงคืนโดยทำแต่คนที่ยอมลดตัวไปกราบไหว้เครือข่ายอย่างที่ว่าไปเนี่ยเนื่องจากพิสูรูปนั้นทําผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแนะ่นอนก่อนหน้านี้นะครับเพราะไอ้ความผิดพลาดอันนั้นแหละครับที่ทําให้ต้องไปไปทําขนาดนั้นทีนี้ถ้าหากว่าได้ทําครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปก็ทําได้แล้วไม่ครับบางทีอย่างอย่าง มีคารวาาจจะที่เขาเอา่อไม่ไม่ไม่ใช่ทําผิดไม่ทําผิดอะไรเลยแต่ว่าแต่ว่าอย่างอย่างเช่นเราไปเจอญาติโยมคนที่เขามีชื่อมีเสียงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นเขาชื่นชมว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยพระก็อาจจะไปไปไหว้เขาแสดงความเคารพเห็นญาติโยมผู้มีศีลเขานาความเคารพกันพ้าก็เข้าไปก็ทําความเคารพด้วยอะไรประมนั้นก็นั่นแหละครับทําให้เห็นว่าถ้าหากว่าท่านมีคุณสมบัติ ตามที่สูเพศภาวะจริงๆนะครับอย่างน้อยที่สุดศึกษาเรื่องศีลมาดีเขาก็ไม่ทํานะครับเนี่ยนะก็แสดงว่าคุณโซลศีลก็ไม่ค่อยดีแล้วองค์ที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าการกราบไหว้ครว่ า, า, วาเนี่ย ก, ก็เป็นอบัติอยู่แล้ว น, นะเพราะฉะนั้นจึงไปเรียนแบบตามไม่ได้แล้วก็คราวา่าที่ที่มีคุณธรรมจริงๆนะครับก็จะไม่ยอมให้พิเภกสูเนี่ยนะครับทําเช่นนั้นกับตนอย่างเด็ดขาดนะครับถ้าหากว่าคุณคราว่าที่มีคุณธรรมในพระาศาสนาจริงๆนะครับ จะไม่ยอมให้พระพิสุ์ไปกราบไปไหว้เข้าเด็ดขาดนะครับเนี่ยนะเพราะโดยเพศแล้วส ม, มณเพศนั้นเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะครับเรียกว่าเอาเอาเครื่องแบบของพระอรหันต์มาใช้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องเกรงในในเครื่องแบบก่อนนะครับถ้าหากว่าอยากจะกราบไหว้จริงๆก็ต้องเปลี่ยนเพศซะนะครับเพื่อที่จะได้ไปไปทำอย่างที่ใจอยากจะทำได้นะครับเพราะว่าส ม, มณเพศเนี่ยนะครับถ้าหากว่าประพฤดีปฏิบัติชอบนะ แพทสมณะเนี่ยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงโลกุตระธรรมอ ย, อย่างสูงมากนะครับะนะถ้าเทียบการปฏิบัติหลายๆเรื่องแล้วสมณะเพศเนี่ยเร็วกว่าหลายสิบเท่านะครับเพราะหนึ่งไม่มีเครื่องเนิ่นช้าคือบุตรพรนยาครอบครัวเป็นต้นนะไม่มีเครื่องเนิ่นช้าเหล่านั้นเลยนะครับถ้าหากว่าบําเพ็ญกิจของสมณะเพศได้เต็มที่อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะครับแต่ครว่าต์บางท่านก็ไปเห็นแต่พระที่ศีลไม่ค่อยดีเป็นต้นเนี่ยนะครับ ก็อาศัยอันนั้นถือว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าเพราะงั้นแต่แต่ก็แล้วก็บอกว่าตำหนิพระภิกษุเป็นต้นไปอีกนะครับเขาไม่รู้ว่าเขากําลังชื่นชมในเพศของคาราวะานะครับอันนถ้อยคําเหล่า น, น, นั้นเนี่ยทําให้เขาเป็นคาราวะตลอดไปถึงเจอพระศาสนาไม่รู้จะได้บวชได้หรือเปล่าเพราะชื่นชมพรนานาคุณแห่งความเป็นคาราวะนะครับเนี่ยนะก็ไม่ได้ใกล้ชิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับก็จะเป็นคนห่างไปเรื่อยๆ ตรงนี้ที่กล่าวนี้เน้นให้รู้ว่าอะไรคือที่ต่ำที่สูงนะครับเห็นไหมแม้กระทั่งชาวโลกทั่วๆไปนี่เขาก็นับถือคนตระกูลสูงใช่ไหมครับ ท, ทั่วไปเนี่ยนะตระกูลสูงถึงจะทําทตัวไม่ค่อยดีนะักแต่โดยมัน ญ, ญาติสังคมทั่วไปแล้วเขาก็ต้องก็ยอมรับใช่ไหมครับอย่างเช่นลูกพระราชามหากษัตริย์เนี่ยนะที่เป็นราชโอรสเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยนะคนเคารพนับถือเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าเขาอย่างน้อยเขาก็มีชาติวุฒินะครับ ชาติบุฒิสมณะเพศเนี่ยนะครับก็มีเพศที่ที่สูงส่งนะครับคาราวาสนั้นตามสํานวนพระไตรปิฎกท่านใช้คําว่าหีนาเพศนะครับเพศสูงเพศต่ํานั่นเองอันที่สุรูปใดที่มีใจอน้อมไปที่จะศึกหาลาเพศเนี่ยนะครับพระองค์ก็ตรัสว่าเวียนมาเพื่อหีนาเพศไหมคว่าเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวนั่นเองนะครับ มันผู้ที่มีความสําคัญในลักษณะนี้ก็ทําเหตุใหม่ที่ไม่ค่อยดีแล้วก็พระภิกษุนั้นๆก็ไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่หรือว่ากิจของอนักบวชเนี่ยควรทํากิจเช่นใดเช่นใดเป็นต้นบ้าง ก, ก็ไม่ทราบนะครับนี่ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งของวัตตะเหมือนกันนะเกิดมาสํา น, นวนว่ามาเป็นสมณะเชื้อสายพระสกิยบุตรเป็นบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมีพระหุนเป็นต้นเป็นพี่ชายก็ยังไม่รู้ตัวอกีกนะครับเมื่อยังไม่รู้ตัวอีกก็ไปทําแบบนั้นก็ เขาค่อยๆเสื่อมจากศาสนาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมาอ่านสูตรนี้เปล่าแล้วก็เลยเข้าใจผิดว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเด็กเหมือนคนเหมือนเด็กจันทานเหมือนวัวเขาขาดเหมือนผ้าเช็ดทุรีอะไรสักน้องนั่นนะก็นั่นภาษาดิบดุลครับแต่ภาษาดิบุตรเคยไหมครับไปกราบไปไหว้คารวะเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีนะครับครับต่อไปนะว่าบทว่าเตมานะขันถา นิูตาสับพังคันถังอุปัตชักคงแปลว่าสัตว์เหล่านั้นครอบงากิเลสเครื่องร้อยรัดคือมานะเสียได้ก้าล่วงกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงความว่าสัตว์เหล่านั้นคือพาถานผู้มีสังโยชน์คือพบเส้นไปแล้วครอบงากิเลสเครื่องร้อยรัดคือมานะกิเลสเครื่องผูกสัตว์คือมานะได้โดยประการทั้งปวงด้วยสมุดเฉทัปหานตั้งอยู่ก้าล่วง วัตทุกได้โดยไม่มีส่วนเหลือเพราะฉะนั้นในสูตรนี้และสูตรที่เจเนี่ยนะครับกล่าวถึงพระอรหัตตผลนะครับสูตรที่7สูตรที่8ดเนี่ยกล่าวถึงพระอรหันอย่างเดียวนะครับ